พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าชีวิตต้องสู้ผู้ที่จะเข้ามาบวช หรือว่าผู้ที่จะหมุนตัวเข้ามาสู่คุณงามความดีเหมือนกับผันน้ําขึ้นภูเขาแต่ถ้าว่าผู้ที่ทำตัวหรือว่าอยู่แบบสบายอยู่แบบอิสระอยู่แบบตามกิเลสพาไปเหมือนกับกลิ้งเห็นลงภูเขาเหมือนกับปล่อยน้ําจากเขาลงไปมันไหลขนาดนั้นเร็วขนาดนั้น เพรนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพนพระองค์ย้อนดูการกระทาหรือความประพฤติหรือแนวความคิดของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้าเป็นครวัตกับพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์บอกว่าท้อพระไทยคือท้อใจที่จะประกาศเรือบสอนคนให้เป็นคนดีเพราะว่าธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะหรือว่เป็นแนวความคิดที่ทวนกระแสเหมือนกับผันน้ําขึ้นภูเขาอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าว่าไปทางโลกเนี่ยเหมือนปล่อยน้ําไหลลงจากภูเขา มันวิ่งลงมาอย่างคือโครมแต่ว่าที่ที่เขามาบวชหรือว่ารมของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสรุ้ที่โคลนต้นโพนะั่นแะในวันเดือนหกเพนนะวันตัดสรุปเกิงมันเหมือนกับผันน้ำขึ้นภูเขามันทวนกระแสของกิเลสกิเลสมันชอบทางหนึ่งอ วันนั้นเวลาพวกเราให้สังเกตดูผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่ออยู่คราวาญ เ, เราก็นั้นทั้งตบมือทั้งตีปีกตบมืออยากจะเข้ามาบวชข่าบวชแล้วข่าจะต้องเป็นอย่างนู้นค่าจะต้องเป็นอย่างนี้ข่าจะต้องทำให้ดีที่สุดกว่าพระที่อยู่ที่เราเห็นอยู่เนี้ยคือ พระที่อยู่อย่างเนี้ยเราจะต้องทำไม่ดีกว่าไพูดให้ใครพี่น้องลูกหลานใครต่อใครฟังว่าบวช้ามาแล้วค่าจะต้องเป็นพระที่ดีแนวความคิดแต่พอเข้ามาบวชจริงๆพอเข้ามาอยู่วัดจริงๆไอ้ความคิดนั้นหายไปหมดเ่ยมันหายไปหมดมันทำไมหาย เพราะว่าความคิดนะ้ํามันเป็นคิดอยู่ในโลกเหมือนกับปลาอยู่ในน้ำอย่างนั้นถ้าข้าขึ้นบนบกข้าจะต้องทาอย่างงู้นข้าจะต้องทำอย่างนี้นตนแต่พอขึ้นมาบกจริงๆปลาหมดสภาพเลยหน้าจอ่อยงอยเงาเศร้าซึมทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปลาทาใจไม่ได้ เนี่ยมันปรับตัวไม่ได้เนี่ยแต่ตามไม่ยิงในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วท่านบอกไว้แล้วพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ทำงานภายนอกเราเห็นว่าพระสงฆ์อยู่สบายไม่ได้ทำงานไม่ได้ทาการทำงานหนักหนาแต่ก็ทำอยู่บ้างเมื่อทำก็ทำ เมื่อหยุดก็หยุดไม่เหมือนทางโลกเขาเพราะส่วนหนึ่งก็คือการเลี้ยงชีวิตของเราของพระสงฆ์นั้นเนื่องด้วยผู้อื่นไปบิณฑบาตมาฉันศรัทธาญาติโยมถวายแต่ว่าพระสงฆ์นี่เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอาหารมีแต่คิดเรื่องอย่างอื่นคิดเรื่องอย่างอื่นนั้นคือคิดเรื่องอะไรของพระสงฆ์ คือสู้กิเลสภายในใจเวลาเข้ามาอยู่ตามลำพังใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรวันนี้มีประโยชน์ไหมแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่แหละอันนี้คือหน้าที่ของการงานของพระสงฆ์มันแตกต่างจากการงานของครวาดการงานของครวาดต้องทำหน้าที่การงานบัตรกรีเชื่อมเหล็กอยู่ทั้งวีทั้งวัน ปงปงปางปางเยูตลอดแต่หน้าที่ของพระสงฆ์นั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงอยู่ในห้องอีกต่างหากอยู่ในที่โล่งอีกต่างหากยุงไม่กัดอีกต่างหากผ้าปูให้นิ่มอีกต่างหากแต่นั่งภาวนาดูใจของตนเองขณะในี้ใจของเราเป็นยังไงคิดปงฟุ้งไปทางไหน คิดไปทางโลกและคิดไปทางธรรมคิดไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะหรือคิดไปทา ง, ง, oh งไหนนั่งดูดูใจของตนเองนี่แหละ ห, หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าการสู้กับใจของตนเองนี่นหละแต่ก่อนเราเป็นคารวะการงานหนักหนาหนักหนาสาหัสขนาดไหนตากแดดทั้งวันอดำนาเกี่ยวข้าวเออ ทั้งเหงือแตกเงื อ, อไหลแต่พอเขามาประมวลดูแล้วสู้ขณะที่นั่งภาวนาบังคับจิตใจของตัวเองให้ อ, อยู่ในความสงบเนี่ยอันนี้ทุกกว่าลําบากกว่าทุกใจกว่าทุกอย่างหนักๆอันนั้นเป็นงานเบาที่เราทํานงานเบาทําแล้วก็แล้วแต่ตัวนี้เนะี่ยมันอยู่ในใจของเราไม่ใช่งานงานงานเบา เพราะนั้นพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าทำไมนักพจนักบวชนี่จึงมีน้อยกว่าครวาสญาตโยมครวาสญาตโยมมีมากแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าพระสงฆ์ไม่ได้ทำการงานแต่ทำไมหาคนบวชยากทำไมหาคนบวชไม่ได้เป็นเพราะเหตุนี้แหละคือสู้อารมณ์ทางด้านจิตใจมันไม่ใช่ของง่ายง่ายเพราะนั้นคณะสัทธาญาตโยมยิ่งได้กล่าบเป็นมนุษย์เหมือนกัน เพียงแต่มียูนิฟอร์มสีสัะโลนผ้าเหลืองศรัทธาญาิโยงกราบด้วยความสนิทใจเพราะอะไรเพราะพระสงค์ท่านอยู่ได้ท่านสู้กับใจของท่านได้ท่านเป็นผู้มีสิ่งมีธรรมในใจเป็นผู้เลิศกว่าพวกเราพวกเราทำไม่ได้อย่างนี้ยังเย็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจของท่าน เราทำไม่ได้เราจึงกราบด้วยความสนิทใจเข้าไปกราบเท้าของท่านอิตตังหกักเพราะเหตุไรเพราะว่าเราเป็นคารวาตเราทำอย่างนั้นไม่ได้เอแต่ท่านทำได้ท่านเอาชนะใจของท่านได้ท่านเอาชนะความรู้สึกของท่านได้ท่านเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะภายในใจของท่านได้แต่เรายังทำไม่ได้เพราะนั้น ชัดไทยญาติโยมทุกคนจึงได้กราบกันเป็นขั้นเป็นตอนลงไปเพราะเหตุใดเพราะว่าท่านพระสงฆ์เป็นผู้เข้ามาสู่ภายในอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกกล่าวว่าการเป็นพระเนี่ยเป็นการทวนกระแสของโลกเหมือนกับผันน้ําขึ้นภูเขาแต่เหมือนคารวะญาติโยมการเป็นอยู่นั้นเหมือนกลิ้ง ก้อนหินเนื้อกิ่งโคกโรงภูเขามันรุนขนาดนั้นเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงท้อพระไทยในที่จะประกาศสอตธรรมในวันเดือนหกเพนพระองค์ได้ตัดสู้ในพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพอนอถ้าจะว่าไปคล้ายๆกับวางแผนหรือกะลำกะเกลี่ยโอ้โหทาไมธรรมะที่เราได้ตัดสู้วันนี้เป็นของลึกซึ้ง เราจะประกาศให้ใครเราจะสอนใครเพราะว่าสิ่งทางโลกของเขานะ่ยมันไหลลงทางลงตีนเขาแต่ธรรมะของเราที่ได้นะนเนีป็นเขามันทวนกระแสของโลกโลกของเขาว่าโลกนี้น่าอยู่น่าทัศนาไปที่ไหนมีแต่ความสวยงามร่างกายสังขารตั้งแต่ศีรษะจดฝ่าเท้าล้วนแล้วจะเป็นของสวยงาม แต่ทาคําสอนของเราเนี่ยแนวความคิดของเราเนี่ร่างกายสังขารเนี่ยมันมีแต่ของอสุภะปฏิกูลไม่น่าดูไม่น่าแลคิดดูให้ดีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายทั้งปวงเป็นของอสุภะปฏิกูลทั้งนั้นผมหล่นลงไปในอาหารทานไม่ได้ขนของเราเหมือนกันเล็บของเราหลุดลงไปก็เหมือนกันฟันของเราหลุดไปลงไปก็เหมือนกัน เอหนังของเราชิ้นใดชิ้นหนึ่งหลุดลงไปสู่อาหารเป็นหน้าขยะแย่งทั้งนั้นหนังเน่าเปื่อยถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็ดูแล้วเสร็จสวยงดงามอันนี้คือกิเลสภายในใจของเราเสกสรรขึ้นมาแต่ถ้าดูให้จริงแล้วมันไม่ใช่ของที่จะเสร็จสวยงดงามอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆ น, น, นี่แหละท่านว่าทวนกระแส แต่กิเลสของเรานี่ตามกระแสเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงท้อพระไทยในเมื่อตัดรู้วันเดือนหกเพนแล้วไปคน้บไปพักที่นั่นบางพักที่โคลนต้นโพ7วันไอ้ต้นไซ7วันที่สะมุตรจริน7วันที่ต้นเกต7วันลักษณะอย่างนั้นแคล้ายๆเสวย ว, วิมุติสุข ค, คือสุขจากรรทำที่ที่พระองค์ที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้ในวันนั้นจากนั้นพระ อ, องค์จึงคิดเออเราจะทํำยังไงถ้าเราจะสอนจะมีคนฟังไหมถ้าคนไม่มีคนฟังเราก็เปล่าประโยชน์เราก็เหนื่อยเปล่า เ, เพราะเหตุลายเพราะทำของเราที่ได้มาเนี่ลึกซึ้งมากจะไปพูดให้ใครฟังแล้วพูดเหมือนกัน ถ้าพูดพูดเข้าไปแล้วเขาไม่ฟังเราไม่เปล่าประโยชน์เลยเอาเถอะเราก็ควรจะดับขันป ร, ริณิพานไปซะตายไปเลยดีกว่าจะไม่เหนื่อยเปล่าจะไม่เหนื่อยนี่แหละในช่วงนี้คือพระพุทธองค์ท้อปไทยจึงมีพรมมาอารัธนาพรมมาเจโลกาทิปติสามปฏิเคล้คยๆว่าพร ม, มวิหารพรมอยู่ในใจก็อื้อ คนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันคนทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ถ้าเรารู้ได้มนุษย์ทั้งหลายจะไปดูถูกเขาว่าเขาไม่ไม่ควรจะรู้เรื่องของรูไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะนี่แหละพระองค์ก็เปลี่ยนแนวความคิดขึ้นมาใหม่จากนั้นเราจะเป็นเทศให้แก่ใครฟังเป็นคนแรกจากท่านก็ทึกคิ ด, ถ, ดถึงดาบทที่ท่านเข้าไปศึกษาก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะท่านเข้าไปศึกษากระดาบท ในถิ่นนั้นแต่ละดาบดสองคนดาลาดาบอุตตะดาบดเป็นผู้มีบริวารถึงคนละห้าร้อยเหมือนกันแต่พระองค์ได้เข้าไปศึกษาในสมาบัตคือสมาธิแต่ท่านเหล่านั้นเก่งทางสมาธิ ท, าท่านไม่ได้เก่งทางวิปัสสนาท่านไม่รู้ทางวิปัสสนาที่จะตัดกิเลสภายในใจไม่ถึงเหมือนกับ ใจของเรามีอารมณ์ยังไงเกิดขึ้นขับไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอย่าให้มันป่งฟุ้งออกไปข้างนอกให้สมาธิระ ง, งับไว้ก่อนเออตสีเหล่านั้นแต่ท่านก็มียานมีฌานทัศนะเหมือนกันพอสิทธธักษะพุทธเจ้าเข้าไปศึกษาท่านก็พอใจท่านก็จะมอบลูกศิษย์ให้พระพุทธเจ้าสิทักษ์เป็นผู้ดูแลปกครองเพราะท่านอายุมากแล้ว มองไม่เห็นใครที่จะทําได้เหมือนกับสิทธะพระพระองค์ไปเข้าไปศึกษาทําได้ทุกอย่างเหมือนกับลือศีในทันดาบทคนที่หนึ่งคนที่สองจากนั้นพระพุทธองค์สิทธะประวะัยังไม่ใช่ทางยังไม่เป็นยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดอันนี้เป็นเป็นยานาทัศน์เป็นฌานเป็นสมาธิเท่านั้นจากนั้นพระองค์จึงได้มาศึกษาคนา้นคว้าตามลําพังพระองค์ เอบศึกษาควนคว้าอดพักยาหารทรมานกายมันก่อใจของใจผมก็ยังยังคิดออกไปข้างนอกได้อยู่จากนั้นท่านจึงได้มาดูใจเช่ไหมอดูกายแล้วมิแล้วมาดูใจใจแนวความคิดนี่แหละเนี่ที่พวกคนทั้งหลายท่านหนักทั้งหลายใครก็ตามเนี่ยเขามาบวชเนี่ยแอบปล่อยใจตรงนี้แหละเพลผ่านออกไปข้างนอกจากนั้นก็ร้องโหมร้องให้กุ้มรุมหัวใจ นทุกเศร้าโศกเสียใจเอหลวงพ่ออินเคยเดินเคยถูกมาแล้วแต่สมัยเป็นเด็กเนอเนีเ่ยจะบวชแล้วครับผมขึ้นไปบวชอยู่กับหลวงปู่ครับปูกก่เจ้ากอครับเออใครถามจะขึ้นมอลายครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณแม่บอกมาขึ้นไปพาขึ้นไปผมงคงขึ้นไปบวชครับผมจะบวชเป็นเลนครับพูดอย่าง ชัดเจนให้แก่ใครๆฟังทั้งเพื่อนทั้งฝูงทั้งญาติพี่น้องใครถามพดเลยไมาอยากจะบวชนะแต่ที่แรกก็ไม่อยากจะบวชแต่ว่าพ่อแม่บอกเออพี่น้องของเรามีหลายคนมีผู้ชายทั้งสี่คนไม่มีใครบวชเลยไม่ได้นะเราเป็นคนที่สามนะในพี่น้องเราน่าจะบวชให้พ่อแม่นะบวชเป็นเดนไปก่อนนันะลูกนะครับถ้าพ่อแม่ให้บวชผมก็บวชครับ จากนั้นก็พอเข้ามาเนี่ยพอส่งขึ้นไปวันแรกก็มีคนมากเไยวันพระตอนเช้าก็อู้เออคนนั้นคนนี้พี่ป่านะอาอาไปจังหานอย่างนี้หนละ่ะวันพระ เ, เออหลวงพอ่อก่อดีอกดีใจพอจากนั้นพี่น้องเขาก็กลับหมดเลยพอกลับหมดเออยังพอไหวคือวันแรกเลยพอวันที่สองมันมีใครขึ้นไปมีแต่หลวงพ่อกับหลวงปู่ล่าสององค์เป็นพระ พอตอนกลางวันท่านก็เข้าในห้องเงียบเงียบตันกับภาวนาของท่านตันปฏิบัติธรรมของท่านเอเด็กชายอีนเนี่ก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอยู่ในภูเจ้าก้อป่ารงพงไพ่อีกต่างหากทั้งมีถ้ามีอะไรเดินไปที่นั่นก็แล้วเดินไปที่นี่นก็แล้วภาวนาก็ไม่เป็นไม่รู้จะทํายังไงเี่ยวันที่หนึ่งผ่านไปก็ดัดพอสมควรฮะคิดถึงบ้านอะไรจะเลยเออคําว่าบวชบวชนะ เริ่มหายไปทีละน้อยแล้วงั้นใไหมไม่น้อยละเป็นกระบุงกระตาไปเลยงั้นพอวันที่สองเข้ามาอีกอวันที่สองเขาไม่มีมาใครมาอีกออหลวงปู่ท่านก็จัดอาหารนายนะทานอาหารเท่งก็ทาน น, นั่นเลยนะโยมแม่แต่แสนดีอาหารติดีๆดีๆเราไม่เคยได้กินโยมแม่เขาขึ้นมาเพราะเป็นห่วงลูกชายกลจะอดจะอยากเอามาให้อาหารที่ดีทั้งนั้นโยมแม่เอามาให้มาฝากเอาไว้ มันเห็นอาหารกินข้าวคนเดียวมันก็ไม่อร่อยอีกต่างหากเลยถึงจะอาหารดีขนาดไหนมันก็ไม่อร่อยอาหารที่คุณแม่ให้เน่ยเราไม่เคยกินคนเดียวอยู่ในบ้านเลยนะถ้ากินก็แย่งกันกินะแต่น e ตี่ท่านเอามาให้คนเดียวเรากินคนเดียวก็กินไม่ลงเพราะงั้นเลมันมันอาหารกินข้าวคนเดียวมันไม่อร่อยคพะั้นแหละพอวันที่สามพนันกระโดดไปกระโดดมาเฮ้ก้อนกีหินก้อนนุ่นก้อนนี่ ไปเอามาก็ร้องไห้โห o ท, ท่าน่ะเด็กนึกขำตัวเองแต่ทั่งทุกวันนี่เหมือนกันเนึกไห้โหเลยทีนี้ก็พอตอนบ่ายตอนบ่ายเลยคิ ด, ค, ดคิดถึงบ้านมากเลยอคิดถึงบ้านมากตอนบ่ายๆก็ร้องไห้เ ล, ลอหลวงปู่ท่านก็นมาเห็นเอา้าเป็นไงเป็นไข้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมีอะไรทําไมร้องไห้ล่ะฮะโอ้ผมคิดถึงบ้านครับหลวงปู่ครับ อคิดถึงบ้านเฮ้หลวงปูง่าไปคิดทําไมบ้านก็อยู่เนยมองเห็นอยู่บนเราอยู่บนหลังเขาเนี่ยมองไปนี่ก็ยังเห็นอยู่หลังคาบ้านเนี่ยเออเป็นไรทําไมเราไปคิดถึงโอ้ผมคิดถึงแม่ครับคิดถึงแม่มากครับแม่จะไงแม่ก็อยู่ที่บ้านน่ะพี่น้องก็อยู่ที่นั่นเนี่ยนะนะอันนี้ในครั้งพุทธกาล สมมาเนาหุนสมมาเนจิตจะสมมาเนบัณฑิต ส, สัมมาเอสุมาณะสมมาเนอายุเจ็ดขวบเท่านั้นแหละท่านภาวนาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่อ น, นี้เราถึงสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วนี่ใหญ่กว่าท่านอีกต่างหากทาไมเราจึงคิดอคิดถึงบ้านอย่างนั้นสมมาเนในครั้งพุทธกาลท่านยังไม่คิดถึงบ้านเราทําไมจึงเป็นอย่างเนี้ยอ้าวันี้จากนั้นหลวงปู่ลาก็เลยเอาเอ นักวโกวาดให้ที่ติดยามของท่านไปท่านไปสร้างวัดใหม่เลยปูเจ้าก้อปีสองพันห้ารอยท่านอนักวาดติดยามไปท่านอ็ให้อ้ทาทองนี้นะท่องเสียเคียวัดวินัยบัญญัติเพราะว่าวินัยบัญญัติอันนี้ใช้ได้ทั้งพระทั้งทั้งเนงมนมำเนนก็ต้องศึกษาแต่ว่าเราต้องตั้งแต่เขียนไว้ไดนนี่ว่า อวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเลขเสขียวัตรเสขียวัตรจัดเป็นสี่หมวดแต่เราเปลี่ยนเป็นว่าเสขียวัตรวัดที่สัมมนเนนจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขียวัตรเราต้องเปลี่ยนเป็นสัมมนเนนนะเปลี่ยนชื่อใหม่นะแล้วก็เราจะรับเราจะบินธบาดโดยเคารพเมื่อบินธบาตเราจักแลดูแต่ในบาทเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อย ท่านมันอยู่ในนอบกวาดท่านกฏมันเป็นกฎระเบียบวินัยผู้ที่จะเข้ามาบวชต้องศึกษาเราจักฉันบิณฑบาตโดยขอรพเมื่อฉันบิณฑบาตแล้วเราจักแลดูแต่ในบาทเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสูดๆเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมพี๊บฝีปากเราจะไม่ฉันทํากับพุงแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันกัดคําข้าวเราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปาก สมเนรพึ่งทำความศึกษาว่าสมณเนนพิ่งทำความศึกษาว่าทุกข้อขึ้นสมณเนนก่อนสมณเนนพึ่งทำความศึกษาว่าเราจักฉันบิญธาบาดโดยขอรบสมเนนพึ่งทำความศึกษาว่าเมื่อฉันบิญธบาดเราจักแกลดูแต่ในบาทสมเนนพึ่งทำความศึกษาว่าอเราจักไม่ฉันทำกับพุ้งแก้มให้ตุ๋ยสมเนนพึ่งทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันกัดคำข้าวสมณเนนพึ่งทำความศึกษาว่าเราจักไม่โยนคำข้าวเข้าปากคง ลักษณะอย่างนี้แหละแต่หลวงพ่ออาจจะรวบรัดตัดตอนเป็นแต่พระวินัยอย่างนี้นั่นอาจจะไม่ได้เลียงรับกลับนี่แหละอ น, นี้หลวงปู่ล่าให้เรียนให้เอามาให้ท่องเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองนะเสียิวัตรจัดที่สำมาเรนเ จ, จ้าสงสาเรียกว่าเจ็ดสิบสองสิกขาบทศีลของพระ หลวงพ่อท่องอยู่สองวันพวกคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านท่องอยู่สองวันจบเลยจบแล้วมาเน่มนเล่าให้ฟังมาพูดให้ฟังมาก็เข้าไปกับหลวงปูกงก่ก็ถือเนเนาวากุวาดเราก็นั่งปะนมมือเออหนึ่งปะนมมือเอาโพูดเราก็ท่องละ่น เสกียวัตวัดที่สมมเอ็นจะต้องศึกษาเรียกเสกียวัตเสกียวัตนัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะปฏิสังยุตหมวดที่สามเรียกว่าธรรมเทสนาะปฏิสังยุต์หมวดที่สี่เรียกว่าปะกินนากาักะสารูปที่หนึ่งมี 26, 1, 2, ยี่สิบหกหนึ่งสองสัมมเอ็เพิ่ ง, ท, งทําความศึกษาว่าเราจักนุ่งห่มให้เรียบร้อยท่องไปเป็น ข, อขอน้อขอหลวงปู่ละเออใช่ได้ใช่ได้ไดเก่งเก่งเอตอนนี้ไปท่องเอสาหัง เอซางพันเตสุจิระป ร, ะรินิบุนะนี่แหละจากนั้นก็มีเครื่องอยู่กความคิดถึงบ้านก็ค่อยๆหายหายไปแต่มางคนยังคิดอยู่อย่างเก่านะั่นนี่แหละอันนี้คือความคิดเมื่อเป็นเด็กแล้วก็เมื่อเข้ามาอยู่เออมันแยกเหมือนกับวัวแยกฝูงอย่างนั้นนะอยู่วัวควายแยกฝูงมาอยู่ตามลำพังนะที่แรกตรงนั้น พออกพอใจแต่พอมาอยู่จริงๆ อ, อ๋อมันไม่ไม่เป็นอย่างที่ได้กจิตเอาไว้แต่ถึงยังไงแต่พอเราอดกัน้นแมีขันตินคือความอดทนเราอยู่ไปเรื่อยๆเราจะมองหาเหตุหาผลไปเรื่อยๆการอยู่เพราะอะไรทําไมเพราะเหตุใดทําคําสอนของพระพุทธญาณสอนอะไรพอเราศึกษาเข้าไปส่วนลึกแล้วอู้ตายกิเลสภายในใจของเรามันหลอกตนเอง เรากลับไปมันก็เป็นอย่างเก่านั่นน่ะ เ, เข้าไปโอ้เราออกมาทําไมทําออกมาให้งูทําไมเนี่ยทําไมอืมเราอยู่อย่างนี้จะไม่ดีกว่าเหรือทําไมทําไมมันหลอกตัวเองอย่างนี้นี่แหละอันนี้แปลว่ากิเลสหลอกตนเองหลอกไปหลอกมาหลอกมาหลอกไปอยู่อย่างนั้นจนจุหาที่สุดไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในเมื่อตัดสินใจแล้ว ข้าพเจ้าคิดดีแล้วว่าข้าพเจ้าต้องทําอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างอื่นเอมแปลว่าไม่ถอยหลังเพราะข้าพเจ้าคิดดีแล้วแหอตีพระพุทธเจ้าขี่ม้าขันธากะออกจากเวียงวังบอกว่าเราจะไม่เราจะไม่กลับคืนมาอีกแหมเราจะตายดาบหน้าอเราจะตายข้างหน้าเราจะขนขวาศึกษาขนขวาศึกษา ทำยังไงจึงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านจริงจังและจริงใจอย่างนั้นท่านจึงสําเร็จตายไม่ใช่ว่าหล่อหล่อแ ล, แล่ไม้ปักกีเลนไม้ปักขี่โคนไปอย่างนั้นเป็นคารวาัตเก็เป็นคารวาัตหาจุดยืนไม่ได้เป็นพระก็เป็นพระที่จุดยืนไม่ได้เป็นอยู่ที่ไหนก็หาจุดยืนไม่ได้เพราะนั้นเขาเข้มแข็ง เราคิดดีแล้วเราจึงมามาแล้วก็ต้องสู่ถึงเราจะไปอยู่ต่างประเทศก็เถอะเรานี่แหละพ่อแม่พี่น้องส่งมาให้เราเรียนหนังสือทำไมทำไมเขาอยู่ได้ประเทศนี้เขาทำไมอยู่ได้เราต้องอยู่ได้อเอเหตเใาจึงเราจึงอยู่ไม่ได้เพราะเราใจของเรามันหลอกตอนเองใช่ไหมเขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้เขากินได้เราต้องกินได้เขาไม่ตายหรอก เขาตายล้วก็ต้องตายเหมือนกันกับเขาเราจะอยู่ยังไงเนี่ยมันต้องเข้มแข็งอย่างนั้นใจของเราเมันจึงจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้จากนั้นก็เป็นคนดีเลยภาคภูมิในใจตัวเองโอ้โหถ้าเราอ่อนแอรอแแลจะขาวนะั้นหมดสภาพไปเราเลยเหมดสภาพเลยหมดความเชื่อถือของคนเลยในตัวเองก็ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองเลย นี่แหละท่าเนรอินกลับไปตะขาวนุ่นเด็กชายอินกลับไปตะขาวนุ่นหมดสภาพป่านนี้ย่าเป็นอะไรเป็นปู่เป็นตาเขาพอแรงแล้วมั้งเป็นคราวญญาติช่วงเหมือนกับคนอพวกเรางคงจะไม่เห็นหลวงพ่ออินมานั่งพูดอยู่อย่างนี้นี่เพอหลวงพ่ออินสู้ในคราวนั้น่ะผ่านอุปสรรคอย่างขนาดหนักสู้มาตลอดท่านจากนั้นก็สู้มาตลอดอยู่กับครูบาอาจารย์สู้มาตลอด เนีม่มาอยู่กับหลวงตามาหาบัวเนีทั้งที่เราเป็นชาวบ้านนอกอยู่ในป่าดงพงไผ่ไม่อยู่กับครูบาอาจารย์สู้มาตลอดเออจากนั้นคําพูดคําพูดก็ดีเรื่องอะไรก็ดีเออทั้งที่ท่านศรีวิไลยอยู่ในบ้านในเมืองมารูพ่อไม่ได้คิดเอาร้องพ่อปรับปรุงแก้ไขสู้มาตลอดเออจนในถึงมาป่านนี้แหละนี่แหละชีวิตต้องสู้สรุปแล้ว จะเปถอยอ่อนแอป่อแแปลไม่ได้นะลูกหลานทุกคนนะอพวกพระเนนทุกองนะชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องเอาจริงเอาจังจึงจะประสบความสําเร็จในระดับเป็นระดับระดับไปเพราะนั้นทางเราไม่สู้นะอ่อนแอนะไม่ได้นะกิเลียดเยียบย่าทํำลายหัวใจแล้วมดสภาพนะพวกเรานะลูกหลานนะอถ้าว่าเราเป็น คารวาสก็เหมือนกันไปเรียนหนังสือจะอยู่ที่ใดก็ตามต้องเข้มแข็งต้องเอาตัวให้รอดกิจสิ่งไหนกอดีที่สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าพูดอีกต่างหากเราต้องคิดทําพูดในสิ่งที่มันดีอิธิบาตคือเป็นเครื่องให้สําเร็จความประสงค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วอิธิบาตคือเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะคือความพอใจวิริยะให้ภาคเปลียนพยายาม จิตตะเอาใจฝักใยเออเอาใจฝักใยคือสนใจในเรื่องที่จะต้องทํานั่นวิมังสาการครองไตรตองเหตุและผลมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องทำเนี่ย น, นี่แหละถ้ามีอิทธิบาทซีอยู่กับท่านผู้ใดผู้นั้นจะสําเร็จตามสมความมุ่งมา่นปรารถนาถ้ามไม่เหลือวิสัยจริงๆเพราะฉะนั้นเออไม่เหลือวิสัยวิเลยใสัยคืออะไรข้าไปเจ้าจะคิดกระโดดขึ้นไปท้องฟ้าให้ได้สักร้อยเมตร อันนั้นมันเหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะกระโดดได้ติดเบรกยังไงจะทําพยายามติดเบกเหมือนกระโดดขึ้นมาได้มันต้องมีเครื่องบินมันไม่ต้องมีอย่างอื่นเข้าไปเสริมแต่กระโดดอย่างเดียวไม่ได้ไอ้อันนี้มันสุดวิสัยไอ้แต่ท่านอยู่ในวิสัยและต้องเป็นไปได้นี่แหละอธิบาทนึ่คือเป็นไปได้ถ้าว่าอยู่ในวิสัยที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านสุดวิสัยเลยสุดที่สิ่งที่สุดวิสัยหรือไม่สุดวิสัย ถ้าคนมีปัญญาแล้วจะต้องรู้อันนี้สุดพิสัยหรือไม่สุดพิสัยนะถ้าคนมีปัญญากานกรองไตรตองเหตุและผลนะคนเขาทําได้ทำํำไมเราทําไม่ได้เออเรามีปัญญาระดับไหนเราจึงจะทำํำเราควรจะทําได้ระดับไหนอันนี้รู้ตนเองทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเรารู้จักประมาณประมาณตนได้เพราะเราใช้ปัญญาใช้ความคิดการกรองไตรตองเรื่องราวต่างๆ ให้วิมังสากันกองไตรตองเรื่องราวต่างๆเขามาหาตนเองนะนวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกพระลูกหลานตลอดถึงคณะชาไทยญาโยมทุกคนนะเป็นเป็นแนวความคิดน ะ, ะนนต่อไปรับพรอนุโมทนาให้พร